จเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อไปในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงอุบายสำหรับแก่ง่วงแปดประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรแก่พระโมคคัลลานะ <c oughs> แล้วท่านพระโมคคัลลานะก็ได้ทูลถาม ถึงหลักแห่งการปฏิบัติพระองค์ก็เด็กลับพระมมคคลลานะนั้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ก็ได้สําเร็จพระอาหารหันในวันนั้นเองคือหลังจะบวชมาแล้วเจ็ดวันวันนี้เราก็จะมาว่ากันต่อไปส่วนท่านภาษาลิบุตรบวชแล้วได้กึ่งเดือนก็คือสิบห้าวัน พระศาสดาวันหนึ่งเอในวันนั้นเองพระศาสดาเสด็จอยู่ที่ถ้าสุคราคาตาเชิงเขาพิจิกุตแขวงเมืองราจฤกษ <c oughs> ปริพาชกคนหนึ่งชื่อว่าทีฆนาคอคิเวสนโคตรปริพาชกคนน่เอผู้นี้เกิดในโคตรแห่งอคีเวสนะที่เราเรีย ก, กว่าอีกอคีเวสนโคตร และที่ชื่อว่าทีฆะนาขานี้เข้าใจว่าคงจะเป็นชื่อของอที่ประชาชนเรียกกันคือตามศาสต์ก็บอกแล้วว่าทีฆะนาขานั้นแปลว่าเล็บยาวกบดิพาชกคนนี้คงจะเอาไว้เล็บยาวคนจึงได้เรียกว่าอาชีวกเล็บยาวนั่นเองเลยเรียกไปเรียกมาก็กลายเป็นชื่อไปว่าทีฆะนาขทีิเวสนาโคต กนิพาชกผู้นี้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา <c oughs> ที่ถ้ำที่ถ้ำสุขราขาตาเชิญเขาขิจกูนเองได้กล่าวปราศัยกับพระพุทธองค์ยืนณส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ถึงในทูลถึงทิฐิของตนว่าพระโคดมเข้าไปเจ้านั้นมีความเห็นว่า สิ่งซ่อมทั้งปวงไม่ควรแกขร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดสิ่งนั้นทั้งหมดนอ่าปริภาชคคือทีขั้นนะคะอคิเวสณโคนนัน้นแสดงถึงทูลแสดงถึงทิฐิหรือความเห็นของตนเองพระบรมศาสดาพอได้ตรัสถังเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กล่าวว่าอาคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่าน คือความเห็นที่ท่านมีความเห็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ควรแก่ท่นานท่านจะได้ชอบใจความเห็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสตอบเฉ น, นีแล้วก็ทรงแสดงถึงทิฐิของสมณะพราหมณ์สามประการหรือว่าสามจำพวกว่าอักวิเศษนัสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรแก่เราเราชอบใจสิ่งนั้นทั้งหมดนี่ผู้หนึ่งมีความเห็นอย่างนี้ส่วนผู้ที่สองมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจสิ่งนั้นทั้งหมดแต่ผู้ที่สามมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราเราชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจ ทิศทีของสมณะพราหมณ์ผู้ต้นนั้นใกล้เข้าเข้าไปในความกำหนับรักใครยินดีในสิ่งนั้นๆส่วนทิศทีของสมณะพราหมณ์ผู้ที่สองนั้นใกล้เข้าไปในความเกลียดชังสิ่งนั้นนั้นและทิศทีของสมณะพราหมณ์ผู้ที่สามนั้นใกล้ข้างเข้าไปใกล้เข้าไปถึงความกำหนับในของบางสิ่งและเกลียดชังในของบางสิ่ง ผู้รู้เมื่อพิจารณาเห็นเห็นว่าถ้าเราจะถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกล่าวสิ่งนั้นแล ว, ว่าจริงสิ่งอื่นหาจริงใหม่ก็จะต้องถือผิดจากคนอีกสองพวกในที่นี้พระองค์ตรัสหมายว่าคนใดก็ตามเท่าถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะต้องผิดหรือว่าขัดกันกับอีกสองพวก คือคนเราเกิดมาในโลกนี้มีความเห็นหรือความชอบเหมือนกันบางคนอาจจะชอบสีเช่นสีเนี่ยอาจจะชอบสีแดงแต่ว่าเกลียดสีเขียวแต่บางคนนี้อาจจะเกลียดสีแดงและก็ชอบสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราถือว่าของเราเนี่ยสีที่เราชอบเนี่ยเป็นสีที่ดีแล้วก็ขัดกันกับคนอื่นก็จะเกิดการเถียงการทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างจิตใจกัน อันนี้พระพุทธองค์จริงๆบอกจงริงๆจัดว่าถ้าหากว่าเราถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็กล่าวทิฏฐิอันนั้นแหละว่าจริงว่าเป็นของเที่ยงแท้ก็จะต้องปฏิเสธทิฏฐิของบุคคลอื่นว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้อันนี้ก็จะเกิดการถือผิดกันจากคนพวกอื่นหรือพวกทิฏฐิอีกสองพหูเดยกันคั้นเมื่อความถือผิดกันเกิดมีขึ้น ความมีวาดเถียงกันก็จะเกิดมีขึ้นคือต่างคนก็ต่างเถียงว่าของตนเองนะถูกของคนอื่นผิดสีที่ตนเองเห็นเนี่ยว่าเป็นสีที่ดีสีออื่นไม่ดีส่วนคนอื่นเขาสือว่าสีอันนั้นดีสีของเราไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นคันเมื่อเกิดความมีวาดเถียงกันขึ้นแล้วไอ้ความอาฆาตมาไล่มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความอาฆาตมาไลยเกิดขึ้นก็จะเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมา ก็คือการทำลายกันเนี่ยเพราะอำนาจแห่งการที่เวเถียงผิดกันนเป็นต้นเหตุความเห็นไม่ตรงกันก็จะเกิดเถียงกันเมื่อเทียงกันห น, หนักๆเขาจะเกิดวิวาสกันเมื่อเกิดวิวาสกันขึ้นแล้วก็จะเกิดการอาฆาตมาลายขึ้นเมื่อเกิดการอาฆาตมาลายขึ้นก็จะเกิดการทำลายซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้วย่อมละทิฐินั่นเสียเนี คือละทิฏฐิทั้งสามประการนี้นะละทิฐิทั้งสามประการไม่ถือมั่นในทิฏฐิสามประการนั้นเพราะจะเป็นเหตุแห่งการถือผิดกันพระพุทธองค์ท่านแสดงโทษแห่งการถือผิดอ่าถือมั่นโดยทิฏฐิทั้งสามประการอย่างนี้แล้วก็ทรงอทรงแสดงอุบายถึงความไม่ถือมั่นต่อไปว่าอคิเวสนะ กายคือรูปเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมมีบิดามารดาเป็นแดงเกิดจเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสดนี้ต้องอบรมต้องอบกลิ่นกันเหม็นและก็ขัดสีชวีวันให้มนทินนั้นหมดไปอยู่เป็นนิด มีความแต ก, กกระจายเป็นธรรมดาควรพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คืออทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหวฝีเป็นดังลูกศรโดยความยากลำบากชําลุกสุดโรมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละความพอใจละคร่กระวนกระวายในกามเสียได้ ในข้อนี้พระองค์ทรงตรัสว่าร่างกายคือรูปของเหล่านี้ประชุมด้วยมหาภูตารูปสี่คือดินน้ำไฟลมคือในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุทั้งสี่อยู่ธาตุดินในร่างกายเราที่ธาตุดินคือธาตุที่มีลักษณะแข็งแขง็งลักษณะนี้เป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บเป็นต้นและธาตุดินนี่เนี่ยเป็นเหตุที่ให้เรายืนได้นั่งได้นอนได้ไม่ละลายไป นี่อำนาจของธาตุดินอำนาจของธาตุน้ำน้ำนี้ก็ได้กแก่พวก ด, ดีเสเลตหนองเป็นต้นเหล่านี้ที่ล่อเลี้ยงร่างกายเราอยู่ร่างกายของเราจะสดชื่นสดใสขัน้นนี่ก็เพราะอนันาอาศัายอำนาจของธาตุน้ำอำนาจของธาตุไฟไฟนี้ก็ได้กแก่ไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทงร่างกายเราให้อบอุน่นเราจาับตัวเราเราแล้วเราจะรู้สึ ก, กว่า ร่างกายของเราในอุ่นก็โดยอํานาจของธาตุไฟที่มีอยู่ในร่างกายของเราธาตุไฟนี่แหละมีอเป็นเหตุทําให้ร่างกายของเรานี้ไม่เปื่อยเน่าไม่เปื่อยเน่าแต่ตรงข้ามกับคนที่ตายแล้วร่างไฟอธาตุไฟหมดแล้วไม่ช้าก็เน่าเปื่อยขึ้นมาแล้วก็ลมอารมณ์อํานาจของธาตุลมนี่ทําให้เราเคลื่อนไหวได้พูดได้เดินเหินได้แกว่งแขไวแขนได้ ยืดเท้ายืดเส้นได้ขยับขเขยื่อนได้นี้อำนาจธาตุลมถ้าหาว่าร่างกายเราปราศจากธาตุลมเสียก็ไม่สามารถที่จะขยับขเขยือนได้เช่นคนอามมพาดเป็นต้นอแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าร่างกายของคนเหล่านี้ที่ประชุมในธาตุสีนั้นมีบิ ด, ดามันดาเป็นแดงเกิดคือเราเกิดขึ้นได้โดยอานาจอนุภาพของบิ ด, ดามารดาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วจเจริญขึ้นมาได้ เติโตขึ้นมาได้ก็เพราะอำนาจของอาหารที่เราเรียกว่าขา้าวที่ท่านกล่าวไว้ว่าข้าวสุกและขนมสดหมายถึงว่าร่างกายเราเป็นอยู่ได้หรือจะเลยขึ้นมาได้นี่เพราะอำนาจของอาหารแต่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอกกลิ่นกันเหม็นขัดสีชวีวรนณและใ น, นที่สุดก็มีการกระจายแตกสลายไป ด้วยอำนาจที่ว่าตกอยู่ในความที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอ น, าานัตตาเมื่อคนเรามาพิจารณาเห็นอำนาจของอรอไปเห็นไตร ล, ลักษณ์คือลักษณะสามประการอย่างนี้แล้วก็จะละความพอใจละใครระวนกระวายในการเสียได้นี่พระองค์ทรงสแสดงถึงอุบายแห่งการที่จะละทิฐิสามประการนี้ พระองค์ก็ตัดต่อไปว่าอันหนึ่งเวทนานั้น่ะมีอยู่สามอย่างคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์และไม่ทุกข์ไม่ ส, ส, มไไ ส, สุขในสมัยใดได้เสวยสุขในสวัยในสมัยนั้นก็ไม่รู้ไม่ได้สวยทุกข์และอ่าและความไม่ทุกข์ไม่สุขคือหมายความว่าบุคคลใดก็ตามในสมัยในกลางการใดหรือในคราวใดที่ตนเองมีความรู้สึกเป็นสุข ตอนนั้นความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่มีความรู้สึกเป็นปางปางเฉยเฉยก็ไม่มีนะอทุกข์เามาสุขนี่หมายถึงอุเบกขาก็คือความวางเฉยเฉยคือว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่ในสมัยใดเสวยในสมัยใดเสวยทุกข์คือหมายความสมัยในการใดเราได้รู้สึกรู้สึกว่าเป็นทุกข์ในในการนั้นหรือในเวลานั้นเราก็จะไม่รู้สึกเป็นสุข และจะไม่รู้สึกเฉยเฉยแต่ในสมแอนในการใดในเวลาใดเรารู้สึกเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกขในระยะนั้นในเวลานั้นเราก็ไม่รู้สึกเป็นสุขและไม่รู้สึกเป็นทุกข์นั่นเองพระองค์ทรงสแสดงถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ทั้งสามประการอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงว่าสุขทุก และความไม่สุขไม่ทุกข์เช่นสองสามอย่างสามประกานนี้เป็นของไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปคือเราจะสุขได้หรือทุกข์ได้เนี่ยมันไม่อยู่ตลอดไม่เป็นสุขตลอดหรือทุกข์ตลอดมีการเกิดสุขมีสุขขึ้นแล้วก็เสื่อมไปคือหายสุขมีทุกข์ขึ้นก็เสื่อมไปก็หายทุกข์นี่เพราะเหตุที่ว่าสุขทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เหมือนกัน ตกอยู่ในอำนาจของอันนี้จังคือความไม่เที่ยงนะฮะคื อ, อตกอยู่ในอำนาจของความอันนี้จังคือความไม่เที่ยงอ่แล้วก็มีความแปลปรนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปพระอริยสาวกเนี่ยผู้ดได้ฟังแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายทั้งในทุกขในสุขและในความไม่ทุกขไม่สุขเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในเวทนาทั้งสามนี่แล้ว จิตใจก็ปราศจากความกำหนัดยินดีในเบญจกามคุณทั้งห้าเพราะเมื่อจิตใจปราศจากความยินดีแล้วจิตนั้นก็พ้นจากการถือมั่นยึดมั่นว่านี่เป็นของเร า, าเป็นของเขานะคือว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงตามสภาวะแล้วย่อมไม่ถือมั่นยึดมั่นว่านี่ตัวเรานี่ตัวเขานี่ของรักของเรานี่ของรักของเขา น่จะถือว่าเป็นตเพียงว่าสภาวะเท่านั้นเองเมื่อจิตพ้นเช่นนี้แล้วก็จะเกิดยานอันเป็นที่รู้ว่าพ้นแล้วก็จะรู้พระอริยาสาวกคนนั้นก็จะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่จะต้องทําได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วพิสูจนู้พ้นแล้วอย่างนี้ ไม่วิวาโจเถียงกับผู้ใดด้วยทิฏฐิของตนโวหารอย่างใดที่เขาพูดกันอยู่ในโลกก็พูดตามโวหารอย่างนั้นไม่ถือมอั่นด้วยทิฏฐิอันนี้หมายถึงว่าในโลกของเรานี้ที่เราพูดกันขึ้นเรียกชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันขึ้นนั้นเรียกโดยความสมมติของชาวโลกเราก็พูดไปตามเขาแต่ความจริงแล้ว สิ่งนั้นมันได้เป็นอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าสภาวะหรือว่าธาตุทั้งสีประกอบกันขึ้นเทนั้นเองแต่เมื่อเรายังอยู่ในโลกอยู่เราก็ต้องอาคล้อยตามชาวโลกเขาเรียกกันตามชาวโลกไปในครั้งนั้นเองที่พระบรมศ า, ศาสดานั้นทรงแก้ปัญหาหรือว่าเทศนาโปรดเรื่องเวทนาสามประการเช่นนี้ เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนานี้จึงได้ชื่อว่าเทศนาปริคหสูตรแปลว่าพระสูตรที่กําหนดถึงเวทนาเนี่ยกหนดถึงเวทนาคือแบ่งเวทนาเนี่ยคือเวทนานี้คือที่เราแปลกันว่าความสวยอารมณ์พอจะแปลเป็ น, นไทยแล้วคือความรู้สึกเช่นรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่คือความรู้สึกที่นี้เมื่อว่าไปแล้วเวทนานี้แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่สามประการเดียวกัน คือสุขขเวทนาทุกเขเวทนาอทุกเขมาสุขเวทนาคืออ kind of ุเปกขาเวทนานั่นเองสุขเวทนาคือการสวยอารมณ์เป็นสุขทุกขเวทนาการสวยอารมณ์เป็นทุกอทุกเขมาสุขเขเวทนาคือการสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกไม่สุขก็ได้แก่อุเปกขาความวางเฉยความเป็นเฉยเฉยนั่นเองนี่เมื่อว่าโดยเวทนาแล้ว แต่ถ้าจะขยายขยายออกไปอีกก็ได้แก่เวทนาห้าคือเพิ่มโสมนัสเวทนากับโทมนัสเวทนาเข้ามาสุกนั้นหมายถึงว่าสุกทางกายทุกก็หมายถึงว่าทุกทางกายส่วนโสมนัสเวทนานั้นหมายถึงว่าสุกทางใจโทมนัสเวทนานั้นหมายถึงทุกทางใจสวนเบขานั้นแปลว่าความเป็นกลาง ทั้งกายและใจให้กับอุเบกขาไม่ได้แยกออกไปเป็นกายและไปใจรวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้เวทนาห้าเพราะฉะนั้นกสูตรนี้ที่พระพุทธองค์ได้ะจขยายเวทนาออกไปนี่แหละจึงได้ชื่อว่าเวทนาปริคหาสูุท่านภาษาลิบุตรนั้นนั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องหลัง เบื่องพระปิดสางของพระพุทธเจ้าก็คือถวายงานพัดนั่งพัดอยู่พระพุทธองค์นั้นได้เทศนาเรื่องเวทนาปริคหาสูตรนิปโปรดทีฆนาคอาคิเวสนโคตพอจบพระธรรมเทศนาปรากฏว่าทีฆนาคอาคิเวสนโคตรปริภาชกผู้นี้ได้พิจารณาถึง ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนอพรางก็ดำลิวาพระบรมศาสดานี่ตรัสให้เราละการถือมั่นยึดมั่นทำทั้งหลายเสียด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตก็ออ่่าาตัวเองนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาตัวเองก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ส่วนท่านภาษาริบุตรนั้นตนเองได้ถวายงานพัดอยู่นั่งฟังพระธรรมเทศนาไปด้วยจิตทของก็จึงได้ใช้ปัญญานี้ไตรตรองพิจารณาถึงธรรมะในการที่พระพุทธองค์นั้นตรัสให้ทีฆนาขาับละการยืมมั่นเสียด้วยปัญญายิ่งก็ได้พิจารณาไปพอจบพระธรรมเทศนาปรากฏก็จิตก็ค้นจากอาสวะ ได้บรรลุพระอาหารหัตตผลในวันนั้นเอง<ม>เป็นอันว่าท่านภาษาริบุตรนี้ได้บรรลุดวงตาเห็นได้บรรลุอาหารหัตตผลนี้เพราะฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์นั้นทรงเทศให้ทีฆนัะปริภาชกฟังเ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่า ท่านภาษาลิบุตรนี้ได้ฉันข้าวที่เขาคดให้คุดอ่นคือความจริงแล้วองค์สุเดจพะสัมมาสัมพุทธเธจ้านี้ตั้งใจที่ว่าเทศนาปโปรทีคนาคะคิเวสนาโคตแต่ทีฆนาคะอคิเวสนาโคตนั้นได้เพียงดวงตาเห็นธรรมท่านนั้นเองหมดความเคลือแพลงสงสัยในพระพุทธศาสนา แล้วก็แสดงตนอาทูลนสนรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วแสดงตนเป็นอุบาสกนะแล้วก็หลีกไปส่วนท่านภาษาลิบุตรนี้ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงเทศให้ฟังโดยเฉพาะแต่ว่าได้ยินที่พระองค์ทรงเทศให้ฟังนั้นกลับได้บรรลุธรรมที่ยิ่งกว่า ทีฆนกะกิเวสนาโคสีกก็คือได้บรรลุอรหัตผลได้บรรลุอรหัตผลก็จริงในนับว่าท่านภาษาลิบุตรนี้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานหลังจากที่ตนเองได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุทิ์ในพุทธศาสนาแล้วสิบห้าวัน จึงได้สำเร็จพระอรหัตผลท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะนี้อยู่ต่อมาองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นสาวกผู้เลิศกว่าใครทั้งหมดในพระพุทธศาสนาโดยคุณธรรมที่มีในตน คือได้ทรงตั้งท่านภาษาลิบุตนี้เป็นอักรส า, าวกฝ่ายขวาท่านพระโมคคัลลานะเป็นอักรส า, าวกฝ่ายซ้ายท่านภาษาลิบุตนี้มีนามอีกประการหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดีคือเป็นมือรองขององค์าาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นมือทางเป็นประหัตขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระโมคคัลลานะนั้นน่ะเป็นประหะเป็นประหัตซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรนี้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางด้านปัญญาเรียกว่าในทางด้านปัญญาแล้วบุพระพิสุในพุทธศาสนาไม่มีใครที่จะเลิศเท่ากว่าท่านพระสารีบุตร แต่พระโมคคัลลานะนี้เลิ่กว่าพิจูตทั้งหลายในพุทธศาสนานี้ในทางที่มีฤทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิอิทธิปาฏิหาริย์แล้วไม่มีใครที่จะสู้พระอะพระโมคคัลลานะได้ในบรรดาสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เผยแพร่พุทธศาสนานี้ก็ต้องมีด้ยวยกันสองแบบบางแบบนั้นต้องใช้ปัญญาแต่บางแบบนั้นต้องใช้อภินิหาร ทาในการทรมานที่จะให้บุคคลที่ว่าดื้อรั้นก็ต้องใช้ท่านพระโมคคลานะโดยใช้การที่ทำอพินิหารจนกระทั่งให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่ถ้าบุคคลที่เป็นคนที่อธัธยาสัยอ่อนโยนไม่ดื้อรั้นมากนะักก็ใช้ธรรมสัาาลีิบุตรอาศัยที่ปัญญานั้นได้สั่งสอนก็สามารถที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในพุทธศาสนาได้ นอกจากนั้นแล้วองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ยกย่องท่านภาษาลิบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดท่านพระโมคะลานะเปรียบเหมือนพระพี่เลี้ยงนางนมที่เลี้ยงเด็กให้เจริญขึ้นมาคือท่านภาษาลิบุตรนี้สามารถสอนให้บุคคลได้บรรลุพระโสดาบัน แต่พระโมคคัลลานะนี้สามารถสอนให้บุคคลที่บรรลุพระโสดาบันแล้วให้บรรลุอรหัตผลต่อไปอพออัตมาพูดกันมาในแง่นี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดท่านภาษาลิบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ว่าสอนให้คนบรรลุได้แค่เป็นพระอระหันต์อาจเป็นพระโสดาบันเท่านั้นพระโมคคัลลานะนี้เก่งทางลิบ ปัญญาโน้อยกับท่านภาษาลิบุตรแต่สอนให้บุคคลบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ในข้อนี้ขอให้เราเราหวนกลับไปคิดถึงเรื่องความจริงการที่สอนคนไม่รู้หนังสือให้รู้หนังสือนั้นยากกว่าการสอนคนที่รู้หนังสือแล้วให้รู้หนงสือขึ้นไปเพราะคนที่ไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยสอนที่จะให้รู้เรื่องให้ให้ใหช้ตัวหนังสือแบบอตัวนี้ใช้คําแทงคําพูดนั้นนะ่ะยากเหลือเกิน แต่คนที่อ่านหนังสือออกลุงลุงสือแล้วเพียงแนะนิดเดียวเขาก็สามารถจะรู้ได้นี่ชั้นใดก็ดีแม้ท่านภาษาลิบุตก็ฉชนนั้นสอนคนที่ยังไม่เคยในพุทธศาสนาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ยากกว่าสอนบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้วให้บรรลุพระอาหารหันต์ให้บรรลุพระอาหารหันต์พระบรมศาสดานั้น ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในมกุฎชนบทซึ่งมีกรุงราชคลึเป็นเมืองหลวงนะซึ่งมีกรุงราชคลึเป็นมงคลหลวงจนกระทั่งประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสออกบวชในพระธรรมวินยัยเป็นพิสุบ้างเป็นนามพิสุนีบ้างถ้าอยู่ในเพศครวญก็ประกาศตนเป็นอุบาสกบ้างอุบาสิกาบ้าง จึงนับว่าทั้งหมดนี้สงเคราะห์เข้าในพุทธบริษัททั้งสี่พระองค์ก็ได้ประกาศศาสนาให้แพร่หลายสมกับที่พระพุทธปนิพานที่ตั้งไว้เดิมก็เป็นอันว่าสำหรับในพุทธประวัติเล่มหนึ่งก็จบลงเพียงแค่นี้แต่ในท้ายของเรื่องผนวกนี้ชื่อ คนรบและชื่อนะครหลวงนี้ก็ขอให้ท่านนักศึกษานะไปอ่านเอาเองนะใช้อ่านเอาเองคือว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นลี้ลับมากนะักนี่ประการหนึ่งแล้วอีกผนวกอีกเรื่องหนึ่งคือผหนวกข้อที่สองนั้นเป็นการถอดใจความอภินิหารของพระบรมบรรสาสิเดชในเวลาประสูตรเป็นต้น อันนี้ท่านพระมหาสมาเจ้าท่านเรียบเคียงอภินิหารในการประสูติอันนี้ก็ทรงสดแสดงไว้เป็นการเปรียบเทียบเช่นทรงสดแสดงว่าเมื่อพระองค์สเสด็จประสูติแล้วย่างเท้าได้เจ็ดได้เจ็ดเก้านั้นนะ่ะเป็นการเปรียบเทียบว่าเมื่อพระองค์ ตัศลูแล้วจะประกาศพระพุทธศาสนาไปได้แค่เจ็ดพระนครการทีเ่เสด็จไปได้แค่เจ็ดพระนครนั้นเพราะเหตุที่ว่าหมดสิ้นเวลาที่พระองค์เพียงเท่านั้นคือพระชนมายุของพระองค์อยู่ได้เพียงที่จะประกาศได้เจ็ดพนครเท่านั้นเองไม่มากไปกว่านั้นสำหรับในเรื่องการถอดใจความพินิหารในเวลาประสูบันนี้ก็เหมือนเช่นเดียวกันขอให้ท่านนักศึกษา ได้อ่านแล้วก็เปรียบเทียบเอาเองจะเป็นการที่ชัดกว่าเป็นการที่ชัดกว่าเพราะฉะนั้นจึงขอจบพุทธวัตรเล่มหนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร ผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาเริ่มบทเรียนพุทธประวัติเล่มที่สองเริ่มต้นด้วยมัชชิมะโพธิการเป็นปริเฉตที่เก้าในปริเฉตที่เก้านี้เป็นเนื้อเรื่องที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในมกุฏชนบท คราวครั้งหนึ่งพระบรมศาสดานั้นเสด็จจารึกโปรดประชาชนในมกตชนบทจะทับอยู่ที่ใต้ล่มไทเรียกว่าพระภูปิป ต, ตะมีโคลดในระหว่างกรุงราชคลือและเมืองนารันธาต่อกันกรุงราชคลืกกับเมืองนารันธานี้ห่างกันประมาณ12ไมล์12กิโลหรือ8ไมล์ขโทษ สิบสองกิโลหรือประมาณแปดไม่ตามภูมิศาสตร์ที่ว่าในปัจจุบันนี้พระองค์ได้ประทับอยู่ใต้ต้นไทรในระหว่างกรุงราชคลึอกับเมืองนานันทานี้ที่ใต้ต้นไทรแห่งหนึ่งชื่อว่าพระหูปุตตนิโคลธพะหะภูุตานิโคลดนี้ เป็นชื่อเขาต้องใส่เข้าใจว่าตามหลักและตามพท์แล้วก็คือว่าต้นสายที่มีลูกมากเข้าเข้าใจว่าคงจะเป็นต้นไายพวกสายย่อยอย่างมีเป็นต้นในเวลานั้นปิภลิมานกนซึ่งเกิดในกัสปะโคดมีความเบื่อหน่ายในการคลองเลือนะละคารวาตเสียถือเพศเป็นบัรปะชิตออกบทอุทิศ ต, ต่อพระหันในโลกจารึกมาถึงที่นั้น ปิพิมานกผู้นี้ตามประวัติเดิมนั้นนะ่ะท่านบอกว่าเป็นชาวกรุงราชคลึอเมืองแขแขวงเมืองราชคล์เมืองกันในสาขราชนครปิพิมานกนี้เมื่อจเจริญเติบใหญ่มาจนถึงกระทั่งอายุยี่สิบปีนั้นบิดามารดาจับให้แต่งงานโดยที่ปิพิมานกนี้ไม่ต้องการที่จะแต่ง ก็ได้แต่งงานกับพระนแอกับนางพัฒกาบิลานีซึ่งมีอายุขณะนั้น26ปีซึ่งนางพัฒกาบิลานีนี้ก็ไม่อยากจะแต่งงานอีกเหมือนกันแต่ว่าทางผู้ใหญ่นี้เป็นผู้จัด ก, การให้จึงจำเป็นก็ต้องแต่งงานกันแต่เมื่อแต่งงานแล้วก็ถึงแม้จะ หลับนอนอยู่ในห้องเดียวกันก็ไม่เคยที่จะถูกต้องซุ่งเนื้อตัวซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างรักษาพรหมจรรย์แต่กูลทั้งสองตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ลมัง่งคั่งที่ล่ำรวยต่อมาเมื่อบิดามารดาของทั้งสองตระกูลนี้ล้มหายตายจากไปแล้วทรัพย์สมบัติของสองตระกูลนี้ก็มารวมอยู่ในตระกูลเดียวกันก็ยิ่งรวยหนักขึ้น ต่ะ ก, กูนี้ก็มีอาชีพในการทำนาแต่ว่าตนเองไม่ต้องทำโดยที่ใช้จ้างหรือว่าคนใช้เป็นผู้ทำอยู่ต่อมาต่อมาทั้งสามีพัญญาในนามทั้งคู่นี้คือปิผลิมานกกับพัชกาปิลานีนี้ก็มาปรึกษากันว่าการที่อยู่คลองเรือนนี้แม้เราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามไม่ลำบากอะไรก็ตาม แต่ว่าคอยต้องนั่งรับบาปที่คุณอื่นก็ททำเป็นไงจึงเรียกว่าต้องรับบาปแห่งบุคคลอื่นกระทำก็คือการที่เราจ้างให้เขาหรือชใช้เขาไปทำทำไล่ไถนานี้การทไราไล่ไถนานี้สรัพที่อยู่ในดินก็มีบางครั้งก็ไปโดนคดโ่งตายใส่เดือนตายหรือกิ่งตือตายเหล่านี้บาปก็มาตกแก่เราเป็นผู้ใช้ เมื่อเติดเบือนนายเช่นนี้แล้วก็คิดอยากจะบวชสองคนก็เห็นพร้อมกันก็จึงไปซื้อหาซื้อผ้าตรายจีวรผ้ากาสาวพัดแล้วก็บาทอันเป็นสมณบริคารของผู้นักบวชมาแล้วก็กโปงผมแล้วก็โปรงผมซึ่งกันและกันแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัด ที่ยอมเดินน้ำฝากถือบาทว่าขออุทิตบรนประชาต่อพระอหันในโลกแล้วก็ต่างคนก็ต่างถือบาทออกจากบ้านเรือนของตัวเองโดยละทิ้งสมบัติทั้งหมดไปเมื่อเดินทางมาแล้วก็มาถึงทางสามแพร่งปิดผลิมาปิดผลิ บันประชิตผู้นี้ก็จึงได้พูดกับนางพัฒกาปิลาณีว่าถึงแม้เราจะบวชแล้วก็ตามแต่เรายังไปไหนยังเดินตามกันไปเช่นนี้ก็จะอก็จะอ่าก็เป็นเหตุที่จะให้บุคคลอื่นนติชินนิธาได้ว่าถึงแม้จะสละเพศฆราวาสแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละกันได้ <S <S เพราะฉะนั้นเมื่อถึงทางแยกนี้แล้วเราควรที่จะไปคนละทาง ก็จึงได้ถามนางพัฒกาบิลาณีว่าเธอจะเลือกเอาทางไหนนางพัฒกานางพัฒกาบิลาณีก็ตอบว่าในฐานะท่านเป็นสามีก็ควรจะเลือกเอาทางขวาส่วนขปจสุนดิฉันนั่นเป็นพัน ญ, ญาก็ควรจะเลือกเอาทางซ้ายดังนั้นเมื่อตกลงกันเช่นนี้แล้วนางพัฒกาบิลาณีนั่นก็จึงได้ขอขมาโทษกระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปในทางซ้าย ไปพบเอาสำนักของนางพิอ่าไปพบเอาสำนักของม่พิษุณีสำนักของพิษุณีสำนักหนึ่งก็จึงได้บวชในสำนักเป็นพิษุณีในสำนักของนางพิสุณีนั้นอยู่ต่อมาก็จนมอมเพ็ญเพียงก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหัาานต์ส่วนปิดผลิมานโผู้นี้แยกทางไปทางขวาก็จึงได้มาพบพระบรมศาสดาที่ใต้ต้นพระภูกตะนิโครดนี้ เมื่ออาจารย์ลิกมาถึงที่นั้นแล้วเห็นพระบรมศาสดาเข้าก็เกิดมีความเลื่อมใสเข้าไปเฝ้ารับเอาพระองค์นี้เป็นพระศาสดาของตนแม่แต่พระพุทธองค์นั้นก็ทรงรับติลิมาโนผู้นี้เป็นภิกษุในพระธรรมวินยัยโดยการประทานโอวาทสามข้อให้ โดยการประทานโอวาทสามข้อให้โดยการที่ว่าถือว่าเป็นการแทนแห่งการยอมรับคือการให้อุปสมบทโอวาทสามข้อนั้นมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งกัสปะเพอพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งความระอายและความเกรงกลัวไว้ในพิสุ ทั้งที่เป็นผู้เท่าผู้ใหม่และผู้ปานกลางอย่างแรงกล้านี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองกระสปะเธอพึงทําความศึกษาว่าเราจากฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วยกุศลเราจะเงียวหูลงฟังธรรมนั้นและพิจารณาเนื้อความนั้น นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามว่าดูกรกฎสปะเธอพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ละสติที่เป็นไปในกายคือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ดังนี้อีกข้อนี้การที่พระพุทธองค์นั้นประทานโอวาท ส, สามข้อนี้ก็เป็นอันว่ายอมรับท่านพระกฎสปะนี้เป็นพิสุในพุทธศาสนา ในข้อนี้ก็แปลกอยู่ข้อนึงอยู่อย่างหนึ่งว่า<อ>การอุปสมบทนี้เรียกว่าอุปสมบทโดยการรับโอวาทสามข้อหรือการประทานโอวาทให้สามข้อมพระองค์ไม่ได้ประทานออ่าไม่ได้ประทานให้อุปสมบทโดยเอหิภิกขุสมุปฐาแต่โดยการประทานโอวาทสามข้อเมื่อประทานโอวาทสามข้อแล้วพระองค์ก็เสดสิลีิ์ไปเลยโดยที่ให้กัสปะนั้น บำเพ็ญสมณธรรมด้วยตนเองพระองค์คงจะเห็นว่าหรือพิจารณาด้วยดูแล้วว่าอุปนิสัยของเขานั้นพอที่จะรักษาตนเองได้ในพุทธศาสนาและสามารถที่จะกระทําจิตของตัวเองได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสสอนสั่งสอนเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงหลีกไป ในพระโอวาทสามข้อนี้จะสังเกตได้ว่าพระองค์มิได้ลงเรียกชื่อว่าปิภะลิแต่พระองค์เรียกชื่อโคตวัคสป ะ, ะคือเรียก น, กนามกุลวัคสปะเพราะฉะนั้นต่อมาท่านก็มีนามในพุทธศาสนาที่สหธรรมิมเรียกกันว่าพระมหากัคสปะ พระมหากรปะนั้นได้ฟังโอวาทสามข้อที่พระองค์ทรงกระทานเช่นนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปรากฏว่าหลังจากที่อุปสมบทมาแล้ว ได้เพียงแปดวันเท่านั้นท่านพระมหาคสภานี้ก็จึงได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นในโลกนี่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาเราจะเห็นว่ามีการบวชเป็นสามวิถีด้วยกันแล้วคือล่มเริ่มต้นเลยที่พระองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ก็คือเอหิภิกขุสมบทา ต่อมาพระองค์ทรงพระสาวกไปรประกาศศาสนาก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นอุปชาเ บ, บื้องตุลาบทได้ก็ให้เปลี่ยนมาให้ใช้การอุปสมบทโดยอา่าถึงพระไตรลักษณ์หรือว่าไต ร, ตรสรานาคมที่เราเรียกว่าติ ส, sea, สนานนคบมนูปัตสัมภาร์แต่ตอนที่พระองค์ประทานอุปสมบทให้แก่ ท่านพุทธมหากัรสปะนี้ทรงประทานอุปสมบทให้เป็นเพียงโอวาทสามข้อเท่านั้นแล้วไม่ได้ตรัสอะไรอีกพระองค์ก็ทรงหลีกไปก็ไปอันว่าการอุปสมบทในพุทธศาสนามาถึงในระยะนี้มีแล้วเป็นสามวิธีด้วยกันแต่บางท่านก็กล่าวว่าถึงแม้การอุปสมบทโดยการประทานโอวาทสามข้อนี้ก็คงจะไม่ผิดไปจาก เอหีภิกขุปสมัธาบางท่านได้กล่าวไว้เช่นนั้นท่านพระมหากัะสปะนี้นับว่าท่านในปฏิบัติตามที่องค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริไว้คือทรงเห็นว่าพอที่จะรักษาตนได้พระองค์จริงได้ไม่สอออะไรมากนะ กัเพียงตระสอนเพียงโอวาทสามข้อแล้วเสด็จไปก็ปรากฏว่าเป็นจริงเช่นนั้นท่านพระมหาตัสปะนี้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมด้วยตนเองนั้นจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันในวันที่แปดหลังจากอุสมบทวันนั้นเองประวัติของท่านนั้นจะมีพิสดารในอนุพุทธประวัติ สำหรับนักธรรมเช้นทูอยู่ต่อมาก็ได้แก่ท่านพระมหากาจารยนะท่านพระมหากาจารยนะผู้นี้ก็ได้รับการอุปสมบทเป็นเอหิปิกคุสมทาจากพระบรมศาสดาที่กรุงาราชคลึเหมือนกันแต่ท่านพระมหากาจารยนะนี้ไม่ใช่เป็นคนที่กรุงราชคลึ เดิมนั้นท่านเป็นคนแห่งกรุงอุเชนีนะเป็นคนแห่งกลุงอุเชนีโดยที่พระเจ้าจันทร์ปริโชในสดับข่าวว่าเจ้าชายศรีฐาภุมานออกบรรพชาจากสกฤตตกูลแล้วประกาศตนเองว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศ นักที่รู้ว่าศาสนาคําสองตนเองจนเป็นที่เคารพนับถือของคนเป็นอันมากก็อยากจะไพรพิสูจนว่าจะเป็นจริงแท้แน่ไหนก็จึงได้ใช้ให้ท่านพระมหาการยนะซึ่งเป็นปุโรหิตของตนเองมาอารัธนาท่านพระมหากจารยนะนี้เดิมเลยก็คือชื่อกัญจนะเกิดในกจายนตโคต แต่เขานิยมเรียกกันว่ากระเจียนะคือเรียกตามโคตรเมื่อได้รับสั่งจากพระเจ้าจันทรประโชดให้มาทูลเสด็จพระบรมศาสดานั้นสเสด็จกรุงกบิอุชเชนีตนเองก็ทูลลาขอที่จะบวชด้วยพระเจ้าจันทรประโชดนั้นก็ทรงอนุญาตพระเจ้าจันทรประโชกก็ทรงอนุญาต เมือ่อทรงนิญาตแล้วท่านพระมหากายนะผู้นี้ก็จึงได้มาพร้อมด้วยบริวารมาเฝ้าพระพุทธองค์ที่กรุงราชฤก์ที่พระเชตวันมหาวิหารนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดความร่มใสแล้วก็จึงได้ขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทด้วยเอหิพิกุสมัตถแล้วก็อยู่ต่อมานั้นท่านก็ได้ บำเพ็ญจกนกระทั่งได้สำเร็จงับผลิพานคือพระอาหารหันตผลเป็นพระอาหารหันตขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วมาต่อมาพอการสมควรท่านก็ทูลนรัฒนาพระพุทธองค์นี้เพื่อเสด็จลุงอุเชนีแต่พระองค์มิได้รับเสด็จไปทรงตรัสว่าขอให้เจ้าขอให้ท่านเนี่ยขอให้เธอเนี่ยไปเองแล้วพระเจ้าจันทประโชด น, นั้นจะเลื่อมใสยอย่างยิ่ง เพราะมหากจาจยา น, นี้ก็จึงได้พาบริวารที่ตนเองมานั้นเป็นพิสุนั้นกลับไปเผยแผ่ศาสนาที่กรุงอุเชนีอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งทำความเรื่อใสายแห้่แก่ให้แก่พระเจ้าจันมะโษฎและชาวชนชาวเมืองกรุงอุเชนีเป็นอย่างมากก็จึงได้สเสด็จ ก, กลับมาอยู่กับพระพุทธองค์ต่อไปอต่อมานั้น พระ บ, บรมศาสดาก็ยังเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคลึมหานครนั่นเองอยู่ต่อมาก็ได้มีการประชุมครั้งใหญ่แห่งภาษาวกขึ้นคราวหนึ่งที่เราเรียกกันว่าจาตุลงคสนิบาจาตุลงคะสนิบาในแปลว่าการประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่ คือหมายความว่ามีสิ่งมีเหตุสีประการนั้นมาไปจวกกันขึ้นพอดีเหตุสีประการนั้นมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งพระสาวกที่มาประชุมกันนั้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างมาก็เกิดมาพร้อมกันวันนั้น ประการที่สองพระอรหันตสาวกที่มาประชุมพร้อมกันนั้นพระสาวกที่มาประชุมพร้อมกันนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นประการที่สามพระอรหันต์ที่มาประชุมพร้อมกันนั้ น, น, น, น, ล, น, น, น, น, นล้วนแต่บวช ด, ด้วยเอหิพิขุสมัติธาทั้งสิ้นหมายถึงว่าบวชโดยที่มี องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาเดียวกันและประการที่สี่ในวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือนสามรวมแล้วสี่เหตุสี่ประการนี้มาประจบกันเข้าจึงได้เรียกว่าวันจาตุรงค์ัสนิบาตเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำหรือเรียกเราเรียกว่ากลางเดือนสาม เป็นประจำทุกปีเราก็จะได้มีการบูชาเวียนเทียนและทำการบูชาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อลลึกถึงวันอันเป็นวันคล้ายกับวันที่เหตสี่ประการนี้มาประชุมพร้อมกันที่เราเรียกว่าจารตุรงคสนิบาตเมื่อเหตสี่ประการนี้มาพร้อมกันแล้วองค์สุเดจพสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงถือโอกาสนี้แสดงโอวาทปาฏิโมกโปรดพระภิกษุที่มาประชุมพระอารหันต์ที่มาประชุมกัน 1,250 องค์แล้วการแสดงโอวาทปฏิโมกนี้ก็จึงได้มีเป็นประจำมาทุกกล่เดือนคือทุก15วันแต่อยู่มาภายหลังพระองค์ก็ทรงให้เปลี่ยนจากการแสดงโอวาทปฏิโมก เป็นการสวดพระปาติโมก ค, คือพระวินัยของพระเป็นประจำทุกเกื่กเดือนคือทุกสิบห้าวันแต่ดับแรงนั้นพระองค์ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี้ได้แก่การที่ย่อหัวใจพระพุทธศาสนามาสแสดง พระองค์ทรงแสดงโอวาทปริโมกต่มหาสนิบาตแห่งพระสงค์นั้นที่พระเวฬุวันมหาวิหารคือเจาตัรงทัศนิบาตนี้เกิดที่พระเวฬุวันมหาวิหารในวันมาฆปุรมีดีถีเพนแห่งเดือนมาฆาตคือเดือนสามพระองค์ก็แสดงเป็นครั้งแรกที่พระเวทวที่วัดพระเวฬุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนา และพระองค์ก็แสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรกที่นี่เพราะเหตุที่ว่ามาประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่ที่เรียกว่าจารุลงคสนิบาตโอวาทปาติโมกนั้นได้แก่การแสดง ย, ย่อหัวใจพระพุทธศาสนามาลงในพระโอวาทปาิโมกโอวาทปาติโมกนี้มีอยู่ด้วยกัน สามคาถาเก่งนะมีอยู่ในการสามคาถาเก่งซึ่งคาถาที่หนึ่งนั่นขึ้นต้นว่าขันตีประมังตะโปตีติขานะซึ่งมีความหมายว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยอดท่านผู้รู้เปล่านิพานว่าเป็นยอด บประชิดผู้ค่าผู้บิดเบียนผู้ผู้บิดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนี่เป็นข้อที่หนึ่งการที่พระองค์ทรงยกขันติขึ้นตรัสเช่นนี้ก็แสดงว่าศาสนาว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อให้คนเราอดทนให้มีความอดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวกระหาย กระทั่งจนถ้อยคำที่ให้ไลยป้ายสีหรือใส่ความต่างๆแม้กระทั่งคำด่าและกระทุกขเวทนาอันแรงกล้าอันเกิดจากอาพาธนี่เรียกว่าบุคคลผู้นับถือศาสนาแล้วต้องมีขันติเพื่อที่จะให้อดทนจากสิ่งต่างๆและข้อที่ทรงสรรเสริญนิพพานว่าเป็นยอดนั้น ก็ได้แก่สแสดงถึงผลแห่งการปฏิบัติพุทธศาสนาปพระพุทธศาสนาของเรานี้จุดสุดท้ายแห่งการปฏิบัตินั้นก็คือพระนิพพานถือว่าพระนิพพานนี้คือผลที่จะพึงได้แห่งการปฏิบัติในขั้นสูงพระนิพพานนี้ก็คือทาใจไม่ให้ตัณหาคือความอยากรัดเริงไว้ได้หมายความว่าให้ละกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวง เมื่อถึงพระนิพพานแล้วความทุกข์ก็จะหมดหรือหายไปเพราะเหตุที่การไม่ยึดมั่นถือมันเองและข้อที่ตัตติบัญประชิตว่าผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นนั้นไม่เป็นสมณะนั้นก็แสดงว่าศาสนาของเหล่านี้ศาสนาพุทธนั้นเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาในเราสัตว์โดยการทั้งปวงนะไม่ให้เบียดเบียนเราสัตว์ให้มีความเมตตากรุณาในเราสัตว์ทุกทั้งปวง สึ่งกลัดว่าสมณะอรรบรญชิตภู้ใดที่ฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่นนั้นจึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะส่วนในคาถาที่สองนั้นพระองค์ทรงสแสดงเริ่มต้นด้วยพระคาถาว่าสรรพาปาปะสะาการะนังกุศลโู ป, ประสัมบัเป็นต้นซึ่งมีความหมายว่าการไม่กระทำบาปโดยประการทั้งปวงและการยังกุศลให้บริบูรณ ยังจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นสาสนาคาสอนของท่านผูร้รูหรือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพุทธศาสนาข้อที่ทรงห้ามการกระทําบาปและให้บําเพ็ญกุศลนี้ก็แสดงว่าพุทธศาสนาของเหล่านี้ให้เว้นจากการกระทําความชั่วนอกจากเว้นใจากการกระทําความชั่วแล้วยังให้ประกอบความดีอีกด้วย ใช่ตเตาเฟียงว่าจะเว้นจากการทำชั่วเท่านั้นโดยที่ไม่ประกอบความดีนี่เพราะฉะนั้นจึงได้มีทั้งคำว่าให้เว้นจากการทำความชั่วและให้ประกอบความดีคือเว้นให้เว้นจากการฆ่ากันเบียดเบียนกันนะแล้วก็เมื่อเว้นช่นนี้แล้วก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กระทําแต่สิ่งที่คุ้มงามความดีเท่านั้นเอง และข้อที่ทรงยกว่าการทําจิตให้ผ่องใสขึ้นตรัสนั้นก็แสดงว่าเมื่อบรรลุถึงที่สุดแล้วจิตใจของอเมื่อบรรลุเมื่อกระทําแต่วาะละเว้นแต่ความชัว่วกระทําแต่ความดีแล้วในที่สุดจิตใจของตนเองก็จะผ่องใสปราศจากกิเลสโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เป็นหลักสูงสุดในพุทธศาสนา บุคคลที่มีจิตผ่องใสปราศจากกิเลสโดยปการทั้งปวงนี้ mm. ก็สามารถบรรลุคุณธรรมชั้นยอด mm. ก็คือพระนิพพานันเองคาถาที่สามกับอีกตึงคาถานั่นซึ่งมีนามซึ่งมีความมีเนื้อความว่าการไม่พูดค่อนขอดกันไม่ประหัดประหารกัน ความสมบรวมในพระปาติโมก ค, ความรู้จักประมาณในอาหารความที่คุกเข่าอยู่ที่นอนอันสงัดประกอบในทางจิตยอย่างสูงนี่เป็นคำสองของท่านผู้รุที่ทรงยกตรัสขึ้งเช่นนั้นก็แสดงว่าการพูดคอนขอกันก็ดีหรือเสียดแทงก็ดีการทะเลาะกันก็ดีหรือแม้กระทั่งการเบียดเบียน ชกต่อยตีลันฟันแทงก็ดีไม่ใช่เป็นการดีสําหรับบุคคลผู้อยู่ในหมู่ของสมณะคือพูอย่าไๆว่านักบวชหรือสมณะเขาต้องเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กิริยาม ญ, ญาตของท่านสมณะดังนั้นผู้ที่เป็นสมณะคือนักบวชนี้ก็ต้องเว้นจากการพูดคอนคอดพูดเสียดแทงหรือด่าว่ากันชกต่อยตีลันฟันแทงกัน อันนี้เป็นกริยามัญยาที่ไม่สมควรแก่บุสมณะอันสมณะพลทนนี้สมควรที่จะมีขนรรมเนียมอันเป็นเครื่องประพุทธที่อันดีนดนดที่ดีและสงบเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็สอนให้สมรวมในพระปฏิโมกในพระปฏิโมกนี่ก็คือพระวินัยของวัดอของพระก็คือให้พระนี่อยู่ในระเบียบในวินยัยนะให้อยู่ในระเบียบวินยัย เพราะคนอ่านสังคมใดก็ตามถ้าไม่มีระเบ pues ียบวินัยแล้วในสังคมนั้นก็จะไม่มีความสวยงามคือจะไม่รู้ใครเป็นใครนะและจะไม่รู้ว่าสังคมนั้นจะแปลกไครถ้าหาว่าพระไม่มีระเบียบวินัยซะแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่แปลกไปจากคราวาสเทไหร่ก็จะเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีระเบียบวินัยแล้วก็สามารถที่เราจะมองกันได้ว่าผู้นี้เป็นพระหรือผู้นี้เป็นคราวาส เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนให้สุมโมในพระปรีโมคคือในพระวินัยของพระอันเองแล้วก็ประการต่อไปคือว่าให้รู้จักประมาณในการในอาหารก็คือไม่ให้เป็นผู้ที่มักกินหรือเห็นแก่กินนะให้รู้จักประมาณในการที่ว่ า, ารับประทานอาหารหรือว่าฉันอาหารเพียงเพื่อ พอร่างกายที่จะให้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปไม่ให้เป็นผู้มากในอาหารหรือโลกมากในอาหารในข้อต่อไปนั้นก็คือว่าให้ยินดีในที่สงัดจะเป็นที่นอนที่นั่งก็ตามแม่คุกคีดด้วยหมู่คณนะเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้บาเพ็ญสมณธรรมหรือกิจวัตรของสมณะอย่างเต็มที่และในข้อต่อไปว่า ความประกอบในจิตขั้นสูงนั้นก็คือยกจิตของตัวเองเนี่ยขึ้นสู่คุณธรรมชั้นสูงเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานต่อไปอันนี้แหละเป็นพระโอวาทที่เราเรียกว่าโอวาทาปาธิโมกข์ที่พระองค์ทรงตรัสสอนแก่พระภิกษุอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบท่านในวันนั้น ซึ่งเป็นวันจารโรงทศนิบาตที่เรียกว่าเป็นโอวาทปฏิโมกขันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร